เขากราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนเขากราบกระวะพระอาจารย์ทรงศิน์พระเทรานุเทระเพื่อนสาธรรมิกเจริญพรสมณเณรเมชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่พวกเราได้มาทำวัดสดมุนช่วงเย็นนะวันนี้ก็มีพระอาการุกกะมาหลายท่านด้วยกันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะแล้วก็เป็นโอกาสนะของวัดผาสุขโตนะที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะพระอาการุกกะนะที่มาจากหลายที่หลายทาง นะก็เป็นไปอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านกล่าวเอาไว้นะว่าผู้ที่ยังไม่มาก็ขอให้มานะผู้ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขนะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนนะได้กล่าวเอาไวนะ้แล้วก็เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะใน เวลานี้นะโดยโดยปกติเนี่ยนะวัดป่าสุขโตก็จะสนับสนุนนะส่งเสริมให้ผู้ที่มาเนี่ยนะได้เรียนรูนะ้เรื่องของตัวเราเองซึนะ่งก็ประกอบไปด้วยกายแล้วก็ใจนะโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัว นะหรือภาษาบาลีก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะนั่นเองเอผู้ที่มาใหม่ผู้ที่ยังไม่เคยนะก็อาจจะแปลกใจในพิธีการในรูปแบบนะเพราะปกตนะิการฝึกกรรมฐา น, นโดยส่วนใหญนะ่ก็จะอาศัยนั่งนิ่งๆนะแล้วก็หลับตานะใช้คำบริกรรมบ้าง นะใช้ลมหายใจบ้างแต่มาที่นี่นะก็มาพบรูปแบบที่ไม่เหมือนนะอย่างที่เราเคยเห็นนะมีการยกไม้ยกมือนะไม่ได้นั่งหลับตา่นะลืมตานะซึ่งตรงนีนะ้ก็เป็นรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยนะท่านได้นำเสนอไว้เนะมื่อ50ปีที่แล้ว นะซึ่งก็ไปตรงกับในหมหาสติปัฏฐานสูตรนะในหมวดสัมปชัญญะบพะนะแล้วก็อริยบพะนะซึ่งโดยสรุปนะก็คือให้มีสตินะหรือมีความรู้สึกตัวในอิริยบททั้งสี่นะก็คือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็อริยบทย่ย นะครูเหยียดเคลื่อนไหวรวมถึงการมีสตินะไปในการเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันนะของแต่ของของแต่ละคนมาสติปฐานสูตรเนี่ยนาะฬิศติปฐาน4เนี่ยถือว่าเป็นทางสายเอกนะเมื่อเช้าหลวงพ่อคำเขียนนะก็พูดไว้เรียกว่าเป็นทางด่วน นะเป็นทางด่วนที่จะทำให้เราเข้าไปรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะตรงไปตรงมานะไม่ต้องอ้อมค้อมการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนี่ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญนะในการที่เราจะเข้าไปรู้ความจริงนะที่เป็นศัจธรรมโดยเริ่มต้นนะจากที่ เรามารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเรียกใจเนี่ยที่ชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นกลับมาอยู่กับกายนะเรียกว่ามาอยู่กับเนื้กับตัวนเพราะนั้นในสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยข้อแรกเลยก็จะพูดถึงกายานุปัสนาสติปัฏฐานนะก็คือการที่เรามารู้สึกตัว นาะที่กายเคลื่อนไหวโดยเฉพาะย่างยิ่งรูปแบบหนะ้าการยกมือ14จังหวะนาะที่หลงพระเทียนได้คิดค้นประดิษฐ์หนะ้าโดยปรับจากวิธีการอาของมังลาวนาะที่เรียกว่าวิธีตงนิ่งหนะ้าสั้นก็มาปรับให้มันเหมาะโดยไม่ต้องมีคำบริกรรมไม่ต้องทำช้าๆไม่ต้องนั่งหลับตานะให้เรารู้สึกตัวกับ การยกมือนะให้มีการเคลื่อนมีการหยุดนะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนการหยุดนะให้มันต่อเนื่องกันไปความรู้สึกตัวนั้นจะเป็นความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะนะไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เป็นความรู้สึกที่จี้เป็นเส้นนะเหมือนเหล็กเส้นนะแต่เป็นความรู้สึกที่เป็นเปลาะเป็นเปราะนะเหมือนโซ่นะซึ่งตรงนี้ เป็นเป็นสิ่งที่ผู้ฝึกเ น, เนี่ยจะสังเกตแล้วก็จะเป็นธรรมชาติถ้าเราไปจี้ให้มันเป็นเส้นต่อเนื่องกันเนี่ยบางทีมันจะเพ่งมันจะเปาะจ้องนะมันจะหนักหัวดนะนี้สาหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็คงจะได้สัมผัสนะกับประสบการณ์ตรงนี้นอกจากเราจะใช้การเคลื่อนไหวด้วย ่แล้วนะก็ยังมีการเดินชมกลมนะก็คือให้มันความรู้สึกตัวกับการเดินนะกลับไปกลับมานะมีสติมีความรู้สึกตัวนะกับการเดินนะตรงนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะหลังจากที่เราอาจจะนั่งมานานแล้วเราจะปวดเมื่อยนะเราก็ลุกขึ้นมาเดินนะก็ทำสลับกันไปนะเดินบ้างนั่งบ้างนะให้มันพอเหมาะพอดี นะไม่หนักตรงส่วนใดส่วนหนึ่งในการฝึกเนี่ยนะก็ให้มันเป็นธรรมชาตนะิเดินธรรมดาไม่ต้องบริกรรมอะไรไม่ต้องช้านะให้มันพอเหมาะพอดีซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราเดินพอเหมาะพอดีเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายนะไม่หนักเกินไปแต่โดยส่วนใหญ่ในบางทีเราก็มักจะเพ่งจ้องนะด้วยความตั้งใจ นะที่อยากให้มันรู้ในะอย่างต่อเนื่อนงะมันก็จะมีอาการหนักนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะไม่ถือว่าเป็นผิดเป็นถูกอะไรแล้วนะก็ถือว่าเราเรียนรู้นะค่อยๆปรับถ้ามันหนักเราก็ปรับให้มันเบานะอย่างเช่นบางทีเราเดินเราเพ่งจ้องเกินไปเราก้มหน้าก้มตาเดินเราก็ง่ายๆหน้าขึ้นบ้างมองไปที่โล่งๆบ้างนะให้อารมณ์มันคลายออกไปบ้าง นะตรงนี้ก็จะเป็นการแก้อารมณ์นะในการเดินนะหรือบางทีนะนั่งร่านจังหวะนั่งไปนั่งมามันเงีวยงนะเรก็จะทำจังหวะให้เร็วขึ้นนะก็เป็นการปลุกนะความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะแก้อารมณ์การที่เรามีความรู้สึกตัวที่กายนะให้บ่อยๆเนี่ยนะมันจะทำให้เราก็ไปรู้ นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเช่นอาการปวดอาการเมื่อยนะอาการร้อนอาการหนาวอาการเย็นนะสิ่งต่างๆนีเป็นธรรมชาตนะิที่เขาจะแสดงออกมาแต่ก่อนเนี่ยเมื่อเรายังไม่ฝึกนะเราก็จะรู้สึกว่าความปวดความเมื่อยเนี่ยทให้เราทนไม่ได้นะหรืออาจจะเกิดความหมดุดหิดงขึ้นมานะแต่เมื่อเราฝึกแล้ว นะเราก็จะวางใจได้ว่าโอ้อันนี้มันก็เป็นธรรมชาติของกายนะที่เขาจะแสดงตัวออกมานะแล้วก็แต่ก่อนนี้เราจะมีความพอใจไม่พอใจในอาการต่างๆเหล่านีนะ้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเวทนานั่นเองนะก็เป็นเวทนานุปัสนาสติปทานเพราะนั้นการเรียนรู้ธรรมะหรือการเห็นธรรมะนะไม่ใช่ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นวงแก้วนะ แต่เห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายเห็นกายที่มีการเคลื่อนการไหวนี่แหละมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเห็นความจริงน่าที่มันปรากฏแต่สิ่งตรงนี้เราก็จะได้เรียนรู้น่าสิ่งที่เป็นความทุกข์น่าที่เกิดขึ้นกับร่างกายน่ะความปวดความเนื่อยน่าความพอใจไม่พอใจน่ะก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราน่าซึ่งตรงนี้นี่แหละ น่าจะทำให้เราเรียนรู้กายและใจของเราทีนี้เมื่อเราทำไปบ่อยๆทำเรื่อยๆให้มีความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยนมันก็จะเห็นความคิดนซึ่งความคิดนี่แหละเป็นตัวก่อเหตุสร้างเรื่องสร้างราวต่างาทำให้เราดีใจบ้างเสียใจบ้างและลึกนึกถึงเรื่องอดีตที่มันสุขที่เป็นเรื่องที่ สร้างความพึงพอใจของเรานะเราก็รู้สึกมีความสุขนะมีความพอใจนะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนใจทำให้ใจเราเอ่อไม่เป็นสุขนะก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาหรือบางทีอาจจะไปคิดถึงเรื่องเก่าๆนะ่ะที่เป็นความอาฆาตแค้นความโกรธเครืองอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็จะถูกฉายขึ้นมาอีกนะ่ะเราก็จะเปิดความรู้สึกเหล่านั้นขึ้นมาอีก นะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยมาดูนะเราก็จะถูกอารมณ์ก็ดีถูกความคิดก็ดีมันดูดเข้าไปเราก็จะจมไปในอารมณ์จมไปในความคิดนะเรียกว่าเราไม่รู้เท่าทาันนั่นเองั้งนี้เพราะว่าความรู้สึกตัวที่เรามีโดยสามัญเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพอพอหรือว่ามันฉับไวไม่พอนะเพราะนั้นเราก็จะสุขสุขทุกทก เราก็จะมีชีวิตที่เป็นชีวิตที่ เ, เดี๋ยวศกเดี๋ยวทุกข์นะเรียกว่าคมดีคุมร้ายนะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆนะเราก็จะรู้สึกเหนื่อยนะเราก็จะรู้สึกหนักนบางครั้งเราก็ไปหลงยึดว่าเป็นตัวนตวนตขึ้นมานะนี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้เท่าฐานนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเมื่อเรามาฝึกนะรู้สึกตัวน่ะที่กายเคลื่อนไหว น้ำก็จะเข้าไปรู้นะอาการของใจนะที่แสดงออกในในความรู้สึกต่างๆในอาการต่างๆนะเป็นความดีใจบ้างเสียใจบ้างความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราแหลมคมตาแหลมคมจริงเนี่ยเราจะไปพบอาการของใจอีกอันหนึง่งไม่สุขไม่ทุกข์เป็นใจปกตินะเป็นใจเฉยเฉยซึ่ง ตรง น, นี้เนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้สังเกตเราไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะมันเป็นธรรมชาติของใจนะที่รักษาความพอเหมาะพอดีนะหรือความสมดุลของใจนะเพราะนั้นจะสังเกตว่าไม่ว่าเราจะดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจก็ตามเนี่ยสุดท้ายนจะกลับมาตรงที่ใจปกตินะนี่ก็เป็นอาการอีกการหนึ่งนาะที่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่ดีเนี่ยเราจะเห็น และความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยนะมันจะพาให้เราไปสัมผัสกับความเป็นปกติของใจได้บ่อยๆนอกจากนั้นนะเมื่อเรารู้เท่าทันความคิดนะรู้เท่าทันอาการของใจต่างๆแล้วเนี่ยนะมันก็จะไปเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจิตใจเรานะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีบ้างนะเรียกว่ากุศลธรรมนะสิ่งที่เป็น เครื่องกางกั้นต่างๆเชนนิวรณ์นาทีละวาอากุศลธรรมแนาโดยเพราะคนที่ใหม่ก็ตามคนเก่าก็ตามเนี่ยเมื่อปฏิบัติเนี่ยเราก็จะพบกับความง่วงนาความง่วงนี่เป็นเรียกว่าเป็นอกุศลธรรมเลยที่มันมานามาแสดงให้เราดูนาถ้าเราไม่รู้เท่าทันถ้าเราเคยชินเนี่ยและไม่มีการควบคุมตัวเองอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับไปนอน นะัก็คือยอมแพ้กับความง่วงนะแต่คนที่มีความตั้งใจมี e n e ี g y ที่แก่กล้านะก็จะไม่ยอมแพนะ้ในความง่วงนั้นนะก็พยายามที่จะเรียนรู้มันพยายามที่จะแก้ไขาอารมณ์เหล่านี้นะอย่างเช่นออการสร้างจังหวะให้เร็วขึ้นนะการปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นนะการเดินให้เร็วขึ้นนะนี่ก็เป็นอุบายเป็นเทคนิคนะที่เราจะแก้ พะ น, นันเราจะไม่ยอมจำนันนะกับความง่วงนอะกจากความง่วงแล้วนะ้ำก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือความเบื่อคือเพราะคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะทำไปซ้ำๆ ซ, ซักๆก็จะรู้สึกเบื่อนะเบื่อแล้วก็ไม่ทำแล้วหนะยุดไปทํากิจกรรมอื่นหานะเรื่องอย่างอื่นทำนะบางคนก็หาไม่กวาดไปกวาดใบไม้บ้างไปทํำนู่นทำนี่บ้างนะก็คือ หลุดจากฐานนะที่เราเดินจงกรมหรือเราสร้างจังหวะนหรือไปหากิจกรรมอื่นๆทำเส้นตรงนี้นะ่ก็จะทำให้การเจริญสติเนะี่ยขาดช่วงนหะรือขาดความต่อนเนื่องนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ที่ฝึกใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้เท่าทัานในพ้นยืนอยู่ที่วัดป่าสุกโตในไม่มีใครดูแลเราต้องดูแลตัวเราเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะต้อง พึ่งตัวเราเองให้มากที่สุดนอะกจากความดุร้านะที่เห็นบ่อยๆก็คือความฟุง้งนซะ่านความคิดฟุง้งนซะ่านหลายคนตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติธรรมนะจะมาทำสมาธิแล้วนะก็คิดว่าจะมานั่งนิ่งๆสงบๆนะไม่ต้องคิดอะไรนะคิดว่าการมาทำสมาธิก็คือการมานั่งสงบแล้วไม่ต้องคิดอะไร ไม่มีความคิดอะไรอันนั้นน่ะคิดว่าเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พอเรามาทำจริงๆแล้วโอ้โหมันมาเยอะเลยนะความคิดเนี่ยมันมาจากไหนไม่รู้คิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอานาคตบ้างคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้สารพัดจะคิดนะซึ่งตรงนี้หลายคนก็เกิดความสงสัยว่าเอเราทาถูกหรือเปล่าเออมันอย่างนี้หรือเปล่า ทำไมมันฟุ้งซ่านจังเลยอยู่ที่บ้านหนี่มันฟุ้งซ่านขนาดนี้เลยไม่เห็นมันคิดขนาดนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นจริงจรแล้วคนที่ปฏิบัติเนี่ยคนที่ฝึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามมันจะมีอย่างนี้แหละนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นนะซึ่งมันเป็นความเคยชินนะที่เราเคยใช้ความคิดนะ อย่าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ทํางานเนี่ยเราอาจจะไม่เคยสังเกตว่าความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าเราไปสนใจอย่างอื่นเราไปทําอย่างอื่นเราก็คิดคิดว่ามันมันมีไม่มากแต่เมื่อเราไปอยู่ที่เมืเนี่ยเราไม่มีงานอย่างอื่นทำนะเอามาเนยะ์ยศมือสร้างจังหวะเดินจงกลมเพราะนั้นความคิดฟุ้งซ่านจะแสดงตัวออกมาเด่นชัดมากวิธีแก้ก็ไม่ยากอะไรนะ ถ้ามันฟุ้นซานเนี่นะเราก็กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี่แหละนะตัวนี้จะเป็นตัวต่อรองจะเป็นตัวทอนกำลังความคิดลงความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของเขาเราไม่ต้องไปใส่ใจเราไม่ต้องไปคิดต่อนะการไม่คิดต่อก็ดีการไม่ใส่ใจก็ดีให้เรามาสนใจกับการเคลื่อนไหวจะเป็นดินชงกลมก็ดีสร้างจังหวะก็ดีตรงนี้เนะี่ย นะจะเป็นตัวที่ปล่อยวางความคิดทอนกําลังความคิดแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันหรอกเพราะความคิดกําลังมันแรงและบางทีเราก็คิดไปแล้วสิบเรื่องนะเราก็ตามไม่ทันเลยนะหรือบางทีมันแรงมากโดยเพาะเรื่องที่เราประทับใจมากๆเนี่ยโหมันลากเราไปเลยนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันซู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นไร นะให้เรากลับมารู้สึกตัวให้โดยบ่อยๆความรู้สึกตัวนี่ให้เป็นความรู้สึกตัวสดๆแต่ละขณนะณเมื่อเมื่อรู้ว่าเผยไปแล้วคิดปแล้วก็ชั่งมันเริ่มต้นกลับมารู้สึกตัวได้ไหมทําบ่อยๆทําเรื่อยๆนะตรงนี้ก็คือการให้กําลังกับความรู้สึกตัวการมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวนั่แหละมานะเป็นการเพิ่มพลังให้กับความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะ แล้ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการถอนกาลังความคิดฟุ้งซ่านไปด้วยในตัวนะซึ่งตรงนี้เราทำอย่างเดียวแต่มันเกิดผลทั้งสองด้านนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องมาสจันเพราะปกติใจของเราเนี่ยมันจะทำได้ทีละอย่างนะก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ความคิดครอบงำความรู้สึกตัวจะไม่มีแต่เมื่อใดก็ตามที่ความรู้สึกตัวมีความคิดมันก็จะไม่มี มันเป็นธรรมชาติที่มันทดแทนกันนะดันั้นตรงนี้เนี่ยให้เราขยันขยันที่จะเดินจงกรมขยันที่จะสร้างจังหวะขยันที่จะรู้สึกตัวนะว่อขยันตรงนี้เนี่ยบางคนก็มีเหมือนกันนะนั่งสร้างจังหวะเนี่ยขยันที่จะยกนะแต่ความคิดมันก็คิดไปด้วยนะมันไม่ทานกันเรียกว่าทั้งขยันคิดและขยันยกตรงนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันเรียกว่า ขยันแต่กายนะแต่ความรู้สึกตัวมันไม่ขยันด้วยเรียกว่าไม่ขยันรู้อันนี้ก็ถือว่าเกียดคร้านเหมือนกันนะไม่ได้เพียนนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องสังเกตให้แากขายนิดนึ่งอันดับติดใหญ่ก็คือให้รู้สึกตัวนะบ่อยๆกับการเครื่อนไหวการที่เราใช้มือก็ดีใช้การเดินโยงกุ้มก็ดีเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ นะมันใหญ่กว่าลมหายใจแล้วนะหายใจยมันจะเบานะแล้วมันก็จะบางทีมันก็สังเกตว่านะเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ง่ายนะสําหรับคนเริ่มต้นใหม่หนระือคนเก่าก็ตามนะถ้าเราทําตรงนี้ชัดเนี่ยมันก็จะไปทําให้ลมหายใจชัดไปด้วยนะมันจะรู้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอะกจากความพุ่งซ่านแล้วนะตะกี้นี่ก็พูดไปควา ม, มง่วง นะความฟุ้งซ่านความเบื่อนะและอีกอันหนึ่งก็คือความสงสัยลังเล่เอพระเจ้าสอนวิธีนี้รู้มันจะมันจะเข้าใจธรรมะได้อย่างไรมันจะสงบได้อย่างไรส่วนใหญ่เราเคยนั่งนิ่งๆหลับตานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นความสงสัยนี่ก็เป็นความคิดอันหนึง่ง นะสิ่งตรงนี้มันจะทำให้เราไม่มีกำลังที่จะทำต่อนะแล้วบางทีทำให้เราพัดหลงนะไปในความสงสัยไปในในความคิดนั้นนะนี้ถ้าเกิดความสงสัยขึ้นมาก็ตัดทิ้งไปเลยนะกลับมารู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวให้เลยบ่อยๆจีกนร้นมันก็คือคนที่อยู่ในเมืองคนที่อยู่สะดวกสบายเคย อ, อยู่สบายสบาย อ, อยู่อากาศเย็นเย็นอยู่ในห้องแอร์มาอยู่ที่นี่ก็ เด น, นบากหน่อยนะตรงนี้ก็อาจจะหมดกิดขึ้นมานะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะถอนกำลังเราเหมือนกันนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นนิวร์นะ่ะเป็นอุปสรรคที่จะมาถอนกำลังของเราแต่ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวให้ชัดนะสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันก็เป็นเหมือนแบบทดสอบเป็นคู่ซ้อมนะที่จะมาประลองกาลังความรู้สึกตัวของเรา อย่างนมันก็ทดสอบให้เรารู้ว่าความรู้สึกตัวของเรามีมากหรือมีน้อยนะถ้าเราซื้งไม่ไหวก็คือน้อยเราก็ต้องทําให้มากนะถ้าเราผ่านได้นะเราก็จะอาจจะไปสัมผัสนะความรู้สึกที่ละเอียดเข้าไปแนะบางทีเราเ่วงมากๆนะถึงที่สุดแล้วมันตื่นขึ้นมานะก็จะไปสัมผัสกับความรู้สึกที่ เ, เป็นปิตนะิเป็นความรู้สึกตื่นขึ้นมา นะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะที่เราจะสัมผัสได้เพราะนั้นธรรมะนี่นะการเห็นธรรมะนี่ก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นกายเห็นใจเห็นอาการของกายเห็นอาการของใจนะที่มันเกิดขึ้นนะอยู่บ่อยๆงานะนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นธรรมานุภาสนาสติปัฏฐานนั่นเองนะเพราะนั้นสติปัสสน4ี่เนี่ยนะเราจะเริ่มต้นที่กายให้มีความรู้สึกที่กายให้ชัด เราทำบ่อยๆขยั น, นแล้วเดี๋ยวสติเนี่ยมันจะพาไปเองนมันจะพาไปเห็นอาการของใจไปเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการธรรมาชาติแล้วมันจะช่วยปรับสมดุลทําให้ใจที่เคยฟูๆแฟบๆน่ยมันกลับคืนสุขปกติเส้นใจปกตินั่นแหล ะ, น ะ, นะเป็นที่อยู่เป็นที่พักเป็นบ้านที่แท้จริงที่เราจะสัมผัส นะที่จะรักษาให้ชีวิตของเรานั้นเป็นปกติสุขในะเพราะนั้นการฝึกกรรมฐานเนี่ยนะเราก็ฝึกเพื่อจะรู้ความจริงตรงนี้นะแล้วก็รู้จักปล่อยจักวางการปล่อยวางเนี่ยเราไปคิดเอาไม่ได้นะเราไปอ่านหนังสือก็บอกให้ปล่อยวางปล่อยวางเราไปคิดปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าเราทำความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ปล่อยวางเอง นะปล่อยวางความคิดปล่อยวางความยึดถือต่างๆปล่อยวางความหนักปล่อยวางความทุกขนะ์ที่เราเคยยึดถือเอาไวนะ้ตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำเองไม่ใช่เราไปคิดที่จะให้มันเป็นเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยนะเราใช้การสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะทิ้งความคิดหมด ทุกความคิดเลยนะจะคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งให้หมดเลยหรืแม้แต่ความจำที่เราอ่านมาหรือว่าเราฟังครูบาอาจารย์มาเนี่ยก็ต้องทิ้งให้หมดนะเวามันเป็นความจำเป็นความคิดนะถ้าเราสัมผัสรู้ด้วยตัวเราเองเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราแลนะมันจะไม่ลืมมันเป็นประสบการณ์ที่เราสัมผัสจริงๆ นะและเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพูดออกมาได้สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาไดนะ้โดยไม่ต้องไปจดจำคำพูดของใครหรือนังสือเล่มไหนนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหนังสือเราจะไม่อ่านทีเดียวนะก็จะอ่านได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นส่วนสาคัญองค์ประกอบเขียนมานพื่อชัดเจนหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละนะ โดยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนักศึกษานะดูลงไปที่กายที่ใจนีนะ้ตรงนี้จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เป็นตําราเล่มใหญ่เป็นพระไตรปดกเล่มใหญนะ่ดูเข้าไปตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะเข้าใจนะกายใจของเรานะแล้วก็กลไกลปฏิกิริยาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนะมื่อตาเห็นรูปนะหูฟังเสียงนะจะหมกได้กลิ่น นะลุ่มลุ้มรถนะถ้าแต่ก่อนเราก็ไม่เคยฝึกเนี่ยเราก็จะมีพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจแต่ถ้าเรามาฝึกแล้วเรารู้เท่าทันเนี่ยนะมันก็จะวางใจเป็นปกติกินข้าวก็ยังกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมเนะพียงแต่ว่าเรากินด้วยใจปกตินะไม่ได้ติดในรสชาตนะิไม่ได้ดีใจว่าโอ้โหนะอาหารชนิดนี้อร่อยมาก ิใจแล้วก็เก็บไว้ในใจว่าพรุ่งนี้น่าจะมีอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดไปเรื่งหน้าแล้วบางทีไปเจออาหารที่ไม่ถูกใจขึ้นมานะก็รสไม่ใคร อ, อร่อยนะก็ไม่เคยพอใจนะบางทีก็เสียใจขึ้นมานะทำไมน่าจะเป็นอย่างนั้นอาหารน่าจะดีกว่านี้อันนอันนี้ก็เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเพราะความไม่รู้เท่าทันนั่นเองเพราะนั้นสติเนี่ย เานะจะเป็นสิ่งที่จะประกบประคองนะให้ใจของเราเป็นปกตินะไมใ่ใจเราพัดหลงนะไปในความพอใจไม่พอใจนะสิ่งนี้ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญนอกจากเราจะมีสตินะในรูปแบบเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก็ดีแล้วเราควรจะไม่ใช่ควรนะต้องเลยนะเรียกว่าต้องเลย ต้องมีความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวันด้วยนะอย่างเช่นเราไปนั่งาทานอาหารนิฉันเวลาเช้าเนี่ยนะจะสังเกตนะถ้ามีสติเนี่ยเราก็จะนั่งฉันด้วยความรู้สึกตัวนะไม่พูดไม่คุยกันนะแล้วก็มีสติกับการขบเคี้ยวนะกับการลิ้มรสในอาหาร นะเราไม่ได้กินไปกินไปพางคิดไปพางนะบางคนก็มีแต่ก่อนเนี่ยก่อ น, นั้นไม่ฝึก ก, กินไปพางคิดไปพางแต่ก่อนก็กินไปคุยไปนะแต่นี้เลยว่าไม่ได้ฝึกสตนะิไม่มีสติกับการกินนะหรืออย่างเช่นเราอาบน้ำก็เหมือนกันเคยสังเกตไหมว่าถ้าเราอาบน้ำโดยที่ไม่มีสติเนี่ยเราจะตักน้ำพรวดพๆไปเลย เปืองน้ำมากนาะแลการถูสบู่ก็ถูแบบรวดเร็วบางทีอาบน้ําไปก็คิดหรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แผนการเรื่องนั้นแผนการเรื่องนี้นาะอันนี้ก็คือใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวการอาบน้ําด้วยสตนะิก็คือใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราค่อยคอยตักอาบทีละขันนาะน้ำก็ไม่เปืองถูสบู่ไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะให้ชีวิตมันช้าลงนิดนึงแต่ใส่สติเข้าไปด้วย ในการอาบน้ําในการแปลงฟันก็เหมือนกันนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะฝึกได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องต้องกระทําก็คือให้มีความรู้สึกตัวแม้ในกิจวัตรประจําวันนะซึ่งตรงนี้มันจะให้การเจริญสติของเรามีความต่อนเนื่องนะนอกจากทําในรูปแบบก็ทํานอกรูปแบบนะตั้งแต่ตื่นยันหลับ นะซึ่งตรงนี้ถ้าเราทำได้บ่อยๆทำให้ต่อเนื่องนะมันก็จะทำให้เกิดผลก็คือความรู้สึกตัวของเราก็จะตื่นรู้นะแล้วมันจะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดพัฒนาการที่เราจะเห็นได้ชัดเจนอันหนึ่งก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยนะเราไม่รู้ทนความคิดเลยมันคิดสิบเรื่องเนี่เราไม่รู้ทันเลยแต่เมื่อเราเตืนสติแล้วมันมีพัฒนาการก็คือ คิดสิบเรื่องรู้ทันเรื่องหนึ่งอีกเก้าเรื่องไม่รู้ทําไปเรื่อยๆคิดสิบเรื่องรู้ทันแปดเรื่องอีกสองเรื่องนารื่อทันสองเรื่องแปดเรื่องไม่รู้นาทำไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเ่มันจะคิดปรบรู้ปรบคิดปรบรู้ปรบนี่เป็นอัตโนมัตินะตรงนี้เริ่มใช้การได้นาสติก็จะเป็นที่พึ่งนาที่เราจะใช้การได้ซึ่งตรงเนี้นาจะทําให้เราไม่ตกไปอยู่ในอารมณ์ นาใจของเราไม่จนไปในอารมณ์ไม่จนไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆนาใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวนาแล้วก็ใช้ชีวิตนาด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้ใช้ชีวิตนี่ทำอะไรไปตามความเคยชินทำอะไรไปตามสัญชาตญาณทำอะไรไปตามความพอใจไม่พอใจแต่ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติปัญญา เส้นะตรงนี้ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นนะใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากขึ้นมีความสุขที่มีอยู่แล้วในตัวเรามากขึ้นโดยสัมผัสกับความสุขที่เป็นความสุขประณีตแล้วก็คือความเป็นปกติของใจเนี่ยที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนะความสุขที่เราจะไปวิ่งหาจากข้างนอกเนี่ยนะมันก็จะน้อยลง แตมันไม่ต้องไปดิ้นหลนมากแล้วนะแล้วก็ทําการทํางานตามหน้าที่ของเราเรียนหนังสือก็ตามปกติมีชีวิตตามปกตินะโดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะถ้าได้มาฝึกเจริญสตแล้วเนี่ยก็ทาให้เป็นคนที่มีสมาธิดีนะช่วยให้การเรียนดีนะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยได้เป็นอย่างมากนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อคนเรามี ความสุขาที่มีอยู่ในใจแล้วเกิดขึ้นกับตัวเราเองเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองได้แล้วเราก็สามารถที่จะเผื่อแผ่ความสุขนี้ไปให้กับคนข้างเคียงกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนเพื่อน ง, งา น, นาแล้วก็การทํางานก็จะผิดพลาดน้อยลง น, นี้ก็จะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานขึ้นมาอีกสําสหรับคนทํางาน หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่จะเพิ่มเป็นอนิสงส์ของการเจริญสติเพราะนั้นเพียงแค่เราเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดผลมากมายในสังคมที่วุ่นวายสับสนแกลงแย่งชิงดีชิงเด่นกันถ้าหากแต่ละคนได้มาฝึกสติเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะเป็นที่เพิ่มตัวเอง จะมีความสุขในตัวเองแล้วก็จะไม่ทะเลาะเบาแวงกั น, นสังคมก็น่าจะสงบสุขซึ่งตัวพุทธมรรตมาเองก็มีความมีความคิดเห็นนะว่าสังคมที่ไม่ปกติเนี่ยก็เกิดจากใจของคนไม่ปกตินั่นเองโดยเบ้าเมืองไทยของเราปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้รู้ความเป็นปกติของใจจริง นะเราไม่ได้มาฝึกเจริญสีกันจริงๆนะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเป็นมรดกที่ปู่ย่าตายายเราได้รับมาสืบทอด ม, มาจนถึงปัจจุบันนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เอาไปใช้ประโยชน์กันนะซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายสำหรับพวกเรานะที่มาอยู่ที่นี่นะก็หวังว่าคงจะใช้เวลาที่มีอยู่ กับเรื่องนี้ให้เต็มที่้าขยันเดินขยันสร้างจังหวะขยันที่จะรู้สึกตัวในกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นยันหลับนาถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะสร้างประโยชน์นาสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองลองมาพิสูจน์ดูว่าจะจะทำความจริงที่เจ้าจ่ายเสีตาได้ค้นพบนาเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วที่บอกว่าคนเราเนี่ยไม่ต้องทุกก็ได้นะ ทำไมเราจะต้องจมอยู่กับทุกขนะ์เราสามารถที่จะไม่ต้ทุกข์ก็ไดนะ้เราไม่ต้องโกรธก็ไดนะ้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยนะไปใช้เวลาในเรื่องนี้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าคนที่อยู่เป็นประจำหรือเพืที่มาเป็นอาการทุกะ ก, ก็ตามนะก็อยากจะให้ใช้เวลากับเรื่องพวกนี้เต็มที่ เป็นสิ่งแรกเป็นสิ่งเบื้องต้นเลยที่จะต้องทําก็คือการเจริญสตินี่เองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอนะในค่ำคืนควันนี้นะก็ในท้าที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณพระเสรัตนตรยัยนะก็คือคนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แนตะ่พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแลนะก็คือสติ ปัญญาที่มีอยู่ในทุกท่านนะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงปรากฏให้เราเห็นนะแล้วก็พระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติของทุกท่านนี่แหละนะแล้วก็ความเพียรพยายามของทุกท่านจงเป็นพร ะ, ะปัจจัยจหนุนนําส่งเสริมนะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจ